วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กันยายนพุทธศักราช2565เป็นวันที่ท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษา มาฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมกําลังของศรัทธาสติปัญญาให้มีความแก่กล้ามากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นเพราะความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง ต่อผู้ที่มีความปรารถนาที่จะได้สุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและได้พบกับความสุขอันยิ่งใหญ่อันทาวจะเรียนรู้ได้จากแหล่งเดียวเท่านั้นคือจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถ ที่จะนำพาจิตใจของผู้ที่มีความปรารถนาถึงการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆให้สามารถหลุดพ้นไปได้อย่างถาวรนไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถสั่งสอนให้ผู้ศึกษา หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้วิชาทางโลกต่อให้เรียนไปถึงระดับปริญญาเอกก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้มีแต่วิชาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ เนั้นการเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าขาดความเชื่อมั่นขาดความศรัทธาแล้วก็จะไม่มีความมั่นใจต่อการกระทาต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อไม่มีความมั่นใจก็จะ การปฏิบัติก็จะไม่ได้เป็นไปอย่า ง, างจริงจังเมื่อการปฏิบัติให้ปฏิบัติอย่างจริงจังผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาแต่ถ้ามีความเชื่อมีความมั่นใจในพระธรรมในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีความลังเลสงสัย เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนเป็นวิธีที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนถ้ามีความเชื่อมั่นแล้วการปฏิบัติก็จะเป็นการปฏิบัติอย่างจรงิงจังเมื่อการปฏิบัติเป็นการปฏิบัติที่จรงิงจังผลก็จะต้องตามมาอย่างแน่นอนเพราะผลก็เป็นของจรงิง เมื่อการปฏิบัติจริงผลก็จะผลที่เป็นของจริงก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ได้ขึ้นกับการกับเวลาไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในโลกนี้แล้วคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่สามารถที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นความจริง ความเป็นจริงก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ยังมีประสิทธิภาพยังสามารถพาให้ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตามได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนขอให้ผู้ปฏิบัติมีความมั่นใจและปฏิบัติอย่างเต็มที่เท่านั้นเมื่อได้มีความมั่นใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้า ที่สอนให้ปฏิบัติดีสอนให้ละ บ, บาปสอนให้ทาบุญสอนให้ชาระจิตใจให้สะอาดตอิสุดเป็นวิธีที่จะพาให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ถ้ามีความเชื่อมันในคำสอนก็จะมีการปฏิบัติอย่างจรงิงจังจะตั้งใจละ ก, การกระทำบาปทั้งปวง ตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมจะตั้งใจชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กําจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นเครื่องเศร้าหมองที่เป็นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายให้มันหมดสิ้นไปจากจิตจากใจเมื่อได้ปฏิบัติอย่างจรงิงจังผลก็คือความบริสุทธิ์ความปราศจากความทุกข์ของใจ ก็ะจะปรากฏขึ้นมาตามลำดับแห่งการปฏิบัติจนถึงขั้นเบอร์สุดเต็มร้อยไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การมีความเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าจะเป็นผู้ที่สั่งสอนให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติท่าปารสนาความหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องทําก็คือต้องหมั่นศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระอริยสงสาวกพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคําสอนของท่านนี้เป็นคําสอนที่เป็นความจริง ที่สามารถทําให้ผู้ปฏิบัติตามนี้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนเพราะเป็นสิ่งที่ท่านได้ปฏิบัติกันมาแล้วได้พิสูจน์กันมาแล้ว<ม>ก่อนที่ท่านจะเอาสิ่งที่ดีมามอบให้กับพวกเรานี้ท่านต้องมีความมั่นใจก่อนท่านต้องได้พิสูจน์ก่อนเ<ม>พราะพุทธเจ้าได้พิสูจน์ด้วยตัพระองค์เองแล้วว่าการละ บ, บาป การทำบุญการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งทั้งปวงได้พาลียสงสาวุกก็เช่นเดียวกันหลังจากที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติไปพิสูจน์ด้วยตนเองก่อนว่าการ ละบาปการทำบุญการชาระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธิ์นี้สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หรือไม่เมื่อท่านได้พิสูจน์ได้เห็นกับตัวของท่านเองได้สัมผัสกับใจของท่านเองว่าหลังจากที่ได้ละการกระทำบาปหลังจากที่ได้ทำบุญต่างๆและหลังจากที่ได้ชาระใจให้สะอาดบริบสุทธิ์แล้ว ใจของท่านก็ปราศจากความทุกข์ใจของท่านมีแต่ความสุขความทุกข์ที่เคยมีในจิตใจมามากมายก่ายกอนงนั้นอันตรธานหายไปหมดด้วยอำนาจของการปฏิบัติสามขั้นตอนคือการละบาปการทำบุญและการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ชาวพุทธเรา ควที่จะสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นให้ได้ให้มีความมั่นใจให้มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวงนั้นท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงแล้วแล้วท่านก็มีวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ทั้งหลายหมดสิ้นไปจากใจท่านก็เอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้น พอผู้ที่มีความปรารถนาะหลุดพ้นได้ศึกษาได้นำามาไปปฏิบัติการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาภายในใจของท่านทาให้ท่านกายเป็นพระอริยสง์สาวกขึ้นมาแล้วก็มาช่วยกันเผยแผ่คำสอนนั้นประเสริฐนี้ให้แก่ผู้ที่ยังตกอยู่ในความทุกข์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กัน นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีการศึกษามีการฟังเทศฟังธรรมจากธรรมะของพระพุทธเจ้าเองคือศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ได้หรือศึกษาจากคำส่งคำสอนของพระสุปฏิปันโนพระอริยสงสาวุกของพระพุทธเจ้าก็ได้ ถ้าเราได้ศึกษาแล้วเราก็จะได้เรียนรู้วิธีของการดับความทุกข์ว่าดับได้อย่างไรบ้างแล้วพอเรานำมาไปปฏิบัติเราก็จะได้สัมผัสกับการดับของความทุกข์ตามขั้นตอนของการปฏิบัติของเราเราละบาปเราก็จะละความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปได้เราสร้างบุญเราก็จะได้ กำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขได้การไม่มีความสุขก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งพอได้ทําบุญก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขใจนั้นหายไปได้แล้วถ้าเราละความโลภความโกรธความหลงได้เวลาเราโลภเราหยุดเราชนะความโลภได้ ความทุกข์ที่เกิดจากความโลภ ก, ก็จะหายไปเวลาเราโกรธเราลากความโกรธได้ความทุกข์ที่เกิดจากความโกรธก็จะหายไปเวลาที่เราหลงถ้าเราละความหลงได้ความทุกข์ที่เกิดจากความหลงก็จะหายไปอันนี้เป็นสันติโกคำพระของพระพุทธเจ้า ผู้ที่ปฏิบัติจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองว่าเป็นความจริงแต่ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัตินี้ยังไม่มีความมั่นใจอาจจะมีความเชื่อว่าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระอริยรสงสารโกดับทุกข์ได้วิธีของท่านเป็นวิธีที่ดับความทุกข์ได้แต่มันก็ยังไม่เห็นชัดเจน จะเห็นชัดเจนว่าการไม่ทําบาปการทําบุญการชําระใจให้สะอาดลอยสุดนี้ทําให้ความทุกข์นั้นหมดไปได้อย่างไรพอเราได้ทำแล้วเราถึงจะรู้เมื่อเรารู้แล้วเราจะไม่ลืมเราจะไม่มีวันลืมสิ่งที่เราได้สัมผัสจากการปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหลงลืมถึงแม้จะตายจากแค่นี้ไปไปเกิด ต่อไปถ้าเรายังไม่ไปถึงจุดสูงสุดของการปฏิบัติเราก็จะไม่ลืมเรื่องของผลที่เราเคยได้รับจากการปฏิบัติเพราะมันจะฝังอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติเราเพียงแต่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังแล้วเราก็มาจดจำว่าถ้าอยากพ้นทุกข์ก็ต้องอยากทำบาปต้องทำบุญต้องชำระใจให้สะอาดบอยสุด อันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้พิสูจน์เห็นกับใจของเรานี้มันทำให้เราลืมได้แล้วเวลาที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาอย่างใดอย่างหนึ่งคิดอยากจะทำบาปเราก็อาจจะทำบาปทันทีเวลาที่เราอยากเวลาที่เรามีความโลภมีความโกรธแทนที่เราจะระ ง, งับมันเรากลับไปเสริมความโลภความโกรธ แทนที่จะทําให้ใจเราสงบใจเราเย็นมันกลับทําให้ใจเรารุ่มร้อนขึ้นมาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเรายัางจะไม่เห็นความเป็นจริงของการปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนว่ามีคุณมีประโยชน์ในการดับทุกข์อย่างไรบ้าง เพราะฉะนั้นนอกจากการศึกษาการได้ยินได้ฟังแล้วสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องนำไปทำต่อก็คือเราต้องไปทำคือไปปฏิบัติไปทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้กระทำกันเริ่มต้นที่ข้อแรกให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้ละอยากกระทำบาปก็มีอยู่ ห้าข้อคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมาและยาเสพติดที่ทำให้ขาดสติอันนี้รวมไปถึงอบายามุกอีกด้วยเพราะสุราหรือยาเสพติดนี่ก็เป็นอบายามุกชนิดหนึ่ง นอกจากสุราแล้วการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการการครบคนที่ชอบอบา ย, ยมุกเป็นนิดและการเกลียดข้านในการกระทำงานเอาแต่เที่ยวเอาแต่เล่นเอาแต่เล่นการพนันเอาแต่เที่ยวเอาแต่ดื่มสุรายามเมาการกระทำเหล่านี้ จะนำมาซึ่งความทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วเพราะอบายามุขนี้เป็นการดูดกำลังทรัพย์ของเราให้หมดไปเป็นการทำลายทรัพย์สมบัติเงินทองที่เรามีอยู่ให้หมดไปเพราะการเสพอบายามุขนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายมีแต่จ่ายอย่างเดียว แล้วถ้ามีทรัพสมบัติมากน้อยถ้าเรามีแต่จ่ายไม่มีการหามาเติมมาเพิ่มไม่ช้าก็เร็วทรัพย์ที่เรามีอยู่ก็หมดหมดเราก็จะเดือดร้อนเพราะเรายังอยากที่จะทำสิ่ ง, งต่างๆทางที่เราเคยกระทำมาพอเราไม่สามารถกระทำได้เราก็ต้องไปหาทรัพมาถ้าเราไม่มีงานมีการมีวิธีหาทรัพ เราก็ต้องหาทรัพย์ด้วยการกระทำบาปด้วยการลักทรัพย์ด้วยการโกหกหลอกลวงหรือบางทีไปลักทรัพย์แล้วก็เกิดการต่อสู้กันก็เกิดการฆ่ากันไม่ถูกเขาฆ่าก็า จ, จะไปฆ่าเขามีแต่ทุกข์ฆ่าเขาก็เป็นทุกข์ถูกเขาฆ่าก็เป็นทุกข์อันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ ไม่อำเป็นจะต้องไปเจอกับความทุกข์เหล่านี้เหล่านี้ได้ถ้าเรามีมาตรการควบคุมบังคับการกระทําของเรามันเป็นสิ่งที่เราต้องกำหนดขึ้นมาอยู่ดีๆมันจะไม่ทําตามที่เราคิดคือเราอยากจะลาบบาปเราก็ต้องมีมาตรการมาตรการของการลาบบาปก็คือต้องต้องมีการถือศีล ต้องมีการละเว้นคือต้องมีการตั้งสัจจะอธิษฐานนั่นเองถ้าเราไม่มีการตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็ไม่มีความรู้สึกมีความผูกพันเราอาจจะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แต่ถ้าเรามีการตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้เราจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตละเว้นจากการรักทรัพย์ของผู้อื่น ละเว้นจากการประพูดผิดประเวณีละเว้นจากการพูดปดโกหกหลอกลวงละเว้นจากการดื่มสุรายาเมาละเว้นจากการเล่นการพ น, นันละเว้นจากการเที่ยวเตะละเว้นจากการจากความการเกลียดเกลียดค้านและละเว้นจากการคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นเป็นมิตร เราต้องมีการตั้งสัจจะธิษฐานต้องมีเป้าหมายของการกระทำว่าต่อไปนี้สิ่งเหล่านี้ทําไม่ได้ห้ามทำโดยเด็ดขาดเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุที่จะทานําพยาไปสู่ความทุกข์ต่างๆทุกคนไม่มีความต้องการความทุกข์เมื่อเรารู้แล้วว่าเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์เป็นอย่างนี้แล้วเราไปทํามัน ถ้าไปทามาแล้วมันก็ต้องเกิดความทุกข์ตามมาอย่างแน่นอนเพราะเหมือนกับไฟนะไฟกับความร้อนมันตามมาด้วยกันไฟเย็นไม่มีมีแต่ไฟร้อนไฟที่ทําให้เราสุขไม่มีไฟมีแต่ทาให้เราร้อนทําให้เราเจ็บทําให้เราทุกข์ดันั้นใดบาปก็เป็นเหมือนไฟการที่เราจะไม่ทําบาปเราก็ต้องเห็นโทษของการกระทาบาป ว่ามันเป็นเหตุที่พาให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาถ้าเราเห็นเหตุกับผลว่าทำบาปแล้วเกิดความทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ละเว้นจากการกระทำบาปก็เท่านั้นเองนี่จะละได้ไม่ได้นี้ก็อยู่ที่การมีสัจจะมีความตั้งใจคือมีการมีสัจจะอธิษฐานนั่นเอง ถ้าไม่มีสัจจะอธิษฐานใจก็จะโลเลใจก็จะไม่ไม่ไม่มีความไม่มีหลักที่จะยึดนั่นเองแต่ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานนี่ก็จะเป็นเหมือนหลักที่ใจสามารถยึดไปได้ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานว่าเราจะรักษาเราจะละเว้น การฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มชโายาเมาและอบายามุขต่างๆถ้าเรามีความตั้งใจที่แน่วแน่มีความจริงใจเราก็จะสามารถรักษาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันนี่คือการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติการละ บ, บาปการไม่เสพอบายามุขนี้ จะป้องกันไม่ให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทางหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นทางเดียวที่จะทุกข์ที่จะทำให้ทุกข์เกิดทุกข์ยังมีทางอื่นเกิดขึ้นมาได้อีกการไม่มีความสุขก็เกิดก็จะทำให้เรามีความทุกข์ได้เวลาไม่มีความสุขใจก็ใจก็อาจจะรู้สึกไม่สบายอยากจะหาความสุขถ้าอยากจะหาความสุขจากการที่ไม่มีความสุข ไปหาความสุขจากการทําบุญอย่าไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะชนิดต่างๆเพราะการเสพรูปเสียงกลิ่นลดผลทพะนี้เป็นการเสพความทุกข์นั่นเองเพราะความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรดนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของเดียวๆเป็นเหมือนควันไฟเวลาได้เสพก็เกิดความสุขขึ้นมา แต่พอมันความสุขที่ได้จากการเสพหายไปมันก็เกิดให้ทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกจากการไม่มีความสุขจากการที่ได้เสพนี่มันก็จะบีบบังคับให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพใหม่เสพใหม่ก็จะสุขเดียวเดียวแล้วเดี๋ยวก็จะทุกข์ใหม่ตามมาอีกถ้าเราไปหาความสุขแบบนี้เราก็เท่ากับเป็นการไปหาความทุกข์ดีนี ถ้าเราไม่อยากจะได้ความสุขแบบนี้ที่มีความทุกข์ตามมาเราก็ต้องหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่เกิดจากการทําบุญต่างๆการทําบุญก็คือการทําประโยชน์ทําคุณทําประโยชน์ทําความสุขให้แก่ผู้อื่นไม่ ว, ว่าจะเป็นใครก็ได้เป็นคนใกล้ตัวเราเช่นบิดามารดาก็ได้ การทำบุญน to ี everyone, families, ้ไม่จําเป็นจะต้องทําบุญกับวัดกับพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวการทําบุญนี้ทําได้กับทุกคนกับทุกสิ่งที่มีชีวิตทําบุญกับผู้มีพระคุณของเราก็จะทําให้เรามีความสุขเป็นความประทานยูกรตเวทีเป็นการตอบแทนพระคุณของผู้ที่มีพระคุณแก่เราเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ ที่สั่งสอนให้เรามีวิชาความรู้ที่ทําให้เราสามารถเลี้ยงตัวเราเองอยู่มาอย่างมีความสุขได้ท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเราถ้าเราอยากจะมีความสุขแทนที่จะเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มเอาเงินไปซื้อของหรือเอาเงินไปให้กับผู้ที่มีพระคุณของเราบ้างก็ได้เช่นในวันเกิดวันเกิดวันปีใหม่วันสําคัญอะไรต่างๆ ถ้าเราอยากจะมีความสุขที่ที่ดีกว่าที่ไม่มีความทุกข์ตามมาอย่างความสุขที่เกิดจากการเสรีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็ให้เรามาหาความสุขจากการทำบุญกันดีกว่าเพราะการทำบุญนี้จะทําให้เรามีความสุขใจอิ่มใจไปนานกว่าแล้วเวลาที่มันจางไปมันก็ไม่ทําให้เราทุกข์เหมือนกับการที่เวลาเรา ไม่ได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเวลาที่ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสจางไปนี้มันจะทําให้เรารู้สึกหงุดหงิดําคาญใจแต่เวลาที่เราทําบุญแล้วมันจะไม่ได้ทําให้เกิดความหงุดหงิดลำคำลำคาญใจตามมามันจะทําให้ใจเราเย็นใจเราสงบใจเราเฉยถึงแม้จะไม่ได้ทําถ้าไม่ได้ทำํำก็ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ไม่เหมือนกับการที่เสมรูปเสียงกลิ่นรส เวลาที่ไม่ได้เสพแล้วมันจะเดือดร้อนมันจะหมดหิริำคาญใจนี่คือวิธีหาความสุขให้กับใจโดยที่ไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมาคือการทำบุญด้วยวิธีการต่างๆคือคำว่าทำบุญนี้แปลความหมายกว้างๆก็คือการให้ความสุขให้ประโยชน์กับผู้อื่น ให้ใครก็ได้เวลาเราทําให้ผู้อื่นเขามีความสุขทําให้เขามีประโยชน์จากการกระทําของเราได้ประโยชน์จากการกระทําของเราเราก็จะมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมาและการทําบุญนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําด้วยเข้าของเงินทองเพียงอย่างเดียวการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี้ให้ได้หลายในหลายรูปแบบเพียงแต่ทักทายเขาเพียงแต่ ยิ้มให้เขานี่ก็เป็นการให้ความสุขกับเขาได้เป็นการสร้างบุญได้เือการให้อภัยกับผู้ที่เขาก็ททำอะไรที่ทำให้เกิดความเสียหายกับเราเราก็ให้อภัยเขาไม่ถือไม่ไม่เอาโทษเขาก็ทำให้เขามีความสุขใจขึ้นมาว่าโอ้เขาเมื่อกี้เขาทำอะไรผิดพลาดไปแต่เราผู้เสียหายกับไม่เอาโทษเขาไม่เอาเรื่องเขา เขาก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาได้แล้วทำให้เรามีความสุขใจด้วยดีกว่าการที่เราจะไปอาฆาตพยาบาทไปเอาเรื่องเอาเราวกันพอการอาฆาตพยาบาทเอาเรื่องเอาเราวมันก็จะทำให้ใจเราร้อนใจของผู้ที่เราอาฆาตเขาก็เขาก็ร้อนทำให้ร้อนกันขึ้นมาทั้งสองฝ่ายพอเราไปอาฆาตพยาบาทเขาไปทำร้ายเขา เดี๋ยวเขาก็จะกลับมาคาดพยาบาลเราทำร้ายเราอีกแล้วมันก็จะไม่มีวันจบมันจะไปจบที่ความตายฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องตายไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องติดคุกติดตารางหรือถูกประหารชีวิตไปหรือถ้าถ้าหลบซ่อนได้ก็อยู่แบบหลบห ล, ลบซ่อนซ่อนอยู่แบบอยู่แบบไม่มีความสุขอยู่แบบวิตกกังวลตลอดเวลา ถ้าไม่ทำบุญมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ารู้จักทำบุญแล้วใจจะไม่ต้องไปรับกับผลที่ไม่ดีต่างๆรู้จักให้อภัยรู้จักแบ่งปันมีอะไรก็แบ่งปันแบ่งปันความสุขความสุขนี้ไม่จำเป็นจต้องมีเงินมีทองเพียงเดีวอย่างเดีย ว, ยายวการเสียสละสิ่งที่เรามีแล้วก็ได้เราไม่มีเงินทองแต่เรามีของใช้ ที่เรามีมากเกินไปมีเสื้อผ้ามากเกินไปมีอะไรมากเกินไปที่เราไม่จำเป็นจะต้องมีเราก็เอาไปให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ก็ทำให้เขามีความสุขจากการได้สิ่งของต่างๆจากเราไปนี่คือวิธีการสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำบุญวิธีการต่างๆ ตามกำลังตามอัธยาศัยตามความพอใจบางคนนีชอบทําบุญกับวัดก็ทาไปทาที่วัดบางคนชอบทาบุญกับโรงเรียนก็ไปทาที่โรงเรียนทาบุญกับโรงพยาบาลก็ไปทาที่โรงพยาบาลทาบุญกับสัตว์ที่จะถูกฆ่าถูกเชือ้อก็ไปถ่ายชีวิตเขาทาบุญกับนกกับปลาปล่อยนกปล่อยปลาทาบุญกับสุนัข จอจัดมีสุนัขจอรจัดไม่มีใครดูแลเลี้ยงดูก็เอามาเลี้ยงดูการกระทําเหล่านี้เป็นการทําบุญเหมือนกันทั้งนั้นไม่จําเป็นว่าบุญจะต้องทํากับพระกับวัดเพียงอย่างเดียวถึงจะได้บุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันของเราถ้าเราได้เสียสละแบ่งปันของที่เป็นของเราแล้วทําให้ผู้อื่นเขามีความสุข หรือบรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมานี่แหละคือวิธีการหาความสุขของทางพระพุทธศาสนาให้หาแบบนีอ้อย่าไปหาความสุขจากการไปเที่ยวตามแหล่งบันเทิงตา่างๆตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆแต่ถ้ายังยังหยุดไม่ได้ยังเลิกไม่ได้ก็ ทำให้มันน้อยหน่อยก็แล้วกันเคยทำร้อยเปอร์เซ็นก็ลดลงเหลือสักห้าสิบเปอร์เซ็นตเอาอีกห้าสิบเอร์เซ็นตมาให้กับการทําบุญแทนเรียน ว, วิธีหาความสุขแล้วเปรียบเทียบกันดูว่าวิธีไหนจะดีกว่ากันถ้าเราลองได้ทําแล้วรับประกันได้ว่าจะเห็นว่าความสุขที่ได้จากการทําบุญนี้จะดีกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟัง โมหระรศบันเทิงอะไรต่างๆแล้วก็ความทุกข์ก็น้อยกว่ากันด้วยความทุกข์ที่เกิดจากทําบุญนี้จะน้อยมากแทบจะไม่มีเลยเวลาที่ไม่ได้ทําบุญก็จะไม่ทุกข์แต่ความความทุกข์ที่เกิดจากการกได้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรมาเวลาที่ไม่ได้ไปนี่มันจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นได้อย่างชาัดเจน สาเหตุที่เรามีความทุกข์กันอยู่เรื่อยๆก็เพราะเนี่ยเราติดในรูปเสียงกลิ่นรสผดพ้ากันเราเคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันพอช่วงไหนเกิดมีการติดขัดมีปุปสรคไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผ้าได้เราก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคงทีแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะหาความสุขจาก จากรูปเสียงกลิ่นรจากการไปเที่ยวไปดูไปฟังไปปินไปดื่มอะไรต่างๆแล้วมาทำบุญกรรแทงแล้วเราจะพบกับความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่จะทำให้เรามีความอิ่มใจแล้วมันจะทำให้เราไม่มีความอยากหรือความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดผลาญต่างๆนี้จะเบาบางลงไปตามลาดับ จนต่อไปอาจจะไม่ไม่ต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอะไรก็ได้ถ้าเราได้ทำบุญอย่างเต็มเต็มที่ตลอดเวลาทุกครั้งเวลาที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ไปทำบุญกันไม่ใช่ทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็ไปเที่ยวไปกินไปดื่มกันอันนี้เป็นความสุขที่ต่างกันความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้เป็นความสุขที่เย็นที่สบายที่อิ่มที่พอ ความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภันี้จะเป็นความสุขที่ทำให้หิวให้อยากเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆได้เสพมากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อ น, นี่คือวิธีการหาความสุขตามหลักของพระพุทธเจ้าแลอ ว, วิธีกจาจัดความหงุดหงิดลำคาใจเวลาที่ไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิตัณฑก็ลองมาเปลี่ยนหาวิธี เศษความสุขแบบใหม่กันความสุขด้วยการทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นทำกับใครก็ได้ทำเบื้องต้นอาจจะง่ายถ้าเราทำกับบุคคลที่เรารักเช่นบิดามารดาผู้มีพระคุณของเราวันไหนเราอยากจะมีความสุขก็ถ้าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ก็ไปเยี่ยมพ่อแม่ไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกับพ่อแม่ซื้อทาบซื้อของไปฝากพ่อแม่หรือพาพ่อแม่ไปทาบุญหรือไปทาประโยชน์ อะไรก็ได้ถ้าพ่อแม่อยากจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเราก็เสียสละเวลาของเรามาพาพ่อแม่ไปรักษาตัวอย่างนี้ก็ได้บุญละได้ความสุขใจที่เราได้ทาคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้ดีการนั่งนูเหยียดอยู่ที่บ้านไม่มีความสุขคิดแต่อยากจะเที่ยวอยากจะกินอ ย, กอยากจะดื่มอยากจะดูอยากจะฟัง แต่ไม่ได้ทำยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งทุกข์เข้าไปอย่าเรามาทำในสิ่งที่เราทำได้ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับผู้มีเรีบคุณของเราหรือไม่หรือไปไปสงเคราะห์ไปช่วยเหลือผู้ที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้ก็ได้มีคนชราคนแก่บางทีเราก็ไปเป็นอาสาสมัครตามศูนย์ของผู้สูงอายุ ไปทํางานทําการช่วยเหลือคนแก่คนชราก็ได้คนพิการก็ได้คิดว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเราเขาก็อยากจะมีความสุขเหมือนเราแต่เขาเนื่องจากถูกกฎแห่งกรรมเป็นวาระที่เขาจะต้องรับผลของกรรมที่เขาทำมาเราก็ไปช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของเขาด้วยการทําช่วยช่วยเหลือเขาให้เขาได้มีความสุขบ้าง อย่างนี้มันก็จะทำให้เรามีความสุขได้เหมือนกันนี่นี่คือวิธีการทำบุญในลักษณะต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ที่เป็นหัวข้อข้อที่สองของคำสอนของพระพุทธเจ้าคือให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งต่างๆให้ถึงพร้อคือต่างๆไม่ถึงแบบไหนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ไม่ใช่ต้องทำทุกอย่างเราพร้อมที่จะทาแบบนี้เราก็ทาไป ทำแล้วทำให้เรามีความสุขทำให้เราไม่ต้องไปหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปคือไปหาความสุขจา ก, กรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เป็นความสุขของกิเลสความสุขของธรรมนี่เป็นความสุขที่เป็นการทำคุณทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นความสุขของกิเลสนี่เป็นการทำคุณทาประโยชน์ให้กับตนเองฮะ เสพรูปเสียงกินลสให้กับตัวเองซื้อข้าวซื้อของอะไรให้กับตันเองแล้วผลก็คือมันยากายเป็นความทุกข์ไปเพราะว่าซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอไปเสพมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมันจะเหมือ น, นยาเสพติดนั่นเองนี่คือมาตรการข้อที่สอง ของการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการที่จะกำจัดความทุกข์ความหงุดหงิดใจที่เกิดจากการไม่ได้เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆด้วยการทำบุญด้วยการเสียสละธร ร, ธรรมธรรมจิตที่เป็นจิตเป็นเรื่องของการอาสาสมัครช่วยเหลือผู้อื่นช่วยดับทุกข์กันเช่นองค์กรสาธารณกุศลต่างๆหน่วยกู้ภัยต่างๆ เขาก็ทำด้วยการเสียสละไม่มีเงินเดือนอาจจะมีเบี้ยเลี้ยงบ้างแต่ไม่ใช่เป็นกบ่บเป็นกรรมแต่ทำด้วยใจรักทำเพราะมีความสุขแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็เอาเวลานี้มาทำคุณทมประโยชน์แบบนี้ดีกว่านี่คือลักษณะของการบำบัดหรือกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการที่ไม่มีความสุข เวลาที่เราอยู่เฉยๆเราไม่มีความสุขอยากจะมีความสุขก็ให้ไปทําบุญกันอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกมนิ้วกายเพราะมันเป็นการหาความทุกข์ความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้มันมันมีความทุกข์ซ่อนอยู่เวลามันความสุขจางหายไปความทุกข์ก็จะเป่าโผลขึ้นมาเพราะว่ามันยังมีความอยากจะ เสบรูปเสียงกิ่นลดตอบไปอยู่เรื่อยๆพอเวลาที่ไม่สามารถที่จะเสดได้ความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นตามมาดังนั้นวิธีกําจัดก็คืออย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นลดปดทัพะให้หาความสุขจากการเสียสละแบ่งปันจากการทําคุณทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นและวิธีที่สาคือนอกจากการกําจัดความทุกข์ด้วยการทําบุญแล้ว กำจัดความทุกข์ด้วยการไม่กระทำบาปแล้วก็ยังมีความทุกข์ที่ยังมีเหลืออยู่ในใจอีกส่วนหนึ่งคือความทุกข์ที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงที่ยังมีอยู่ในใจความความทุกข์แบบนี้จะต้องใช้วิธีกำจัดด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตภาวนาที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ถ้าต้องการที่จะกาจัดความทุกข์ส่วนที่เหลือนี้ให้หมดไปอย่างราบคาบไม่ให้มีลงเหลืออยู่ภายในใจเลยซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเรือนการมีสถานภาพต่างกันนี้ไม่เป็นตัว ตัวชี้บ่งบอกว่าจะทำได้หรือไม่ได้การสิ่งที่ชี้บ่งบอกว่าจะทำได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่การกระทำนั่นแหละถ้ามีการกระทำแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็ทำได้ทั้งนั้นผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้นักบวชก็ทำได้คารวะก็ทาได้คนหนุ่มคนสาวก็ทำได้คนแก่ก็ทำได้เด็กก็ทำได้ อยู่ที่การกระทำนั่นเองอยู่ที่การปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการที่จะปฏิบัติสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาได้ก็ต้องมีเครื่องมือสนับสนุนเครื่องมือที่จะสนับสนุนก็คือการการละการหาความสุขทางการอารมณ์นั่นเองคือการละความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็เป็นการ ต้องถือศีลแปดกันถ้าได้ถือศีลแปดนี้ก็จะมีมีมาตรการห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้กนกายเพื่อที่จะได้มีเวลาเอาเวลามาให้กับการชำระใจด้วยสมถภ า, ภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ถ้าไม่มีเวลาก็จะทำไม่ได้ถ้ายังไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ ถึงแม้แม้แต่การทําบุญเมื่อถึงเวลาที่จะมาชําระใจก็ต้องรังรบการทําบุญไปก่อนทําบุญข้อที่สองที่ให้ทั้งบุญกุศลทั้งหลายถึงพร้อมถ้าเราทําพอแล้วเราก็หยุดได้พักได้การทําบุญพักได้เปลี่ยนวิธีการทําบุญมาทําบุญที่มันสําคัญกว่าที่มันยิ่งใหญ่กว่าคือการมาชําระความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงช่วงที่เราจเจริญ สมถะภาวนาวิปั ส, สนาช่วงนั้นเป็นวิธีที่เป็นช่วงที่เราหยุดการทําบุญเราหยุดการไปทําบุญตามวัดต่างๆไปใส่บาตรไปอะไรทั้งหมดนี้ได้หมดไม่ต้องทําถ้าเราเข้าสู่การภาวนาแล้วเราต้องทุ่มเทเวลามเวลาทั้งหมดให้กับการภาวนาเท่านั้นอย่าไปเสียเวลากับการทําบุญอะไรต่างๆเหมือนเมื่อก่อนนี้ การทำบุญนี้ก็มีคุณมีประโยชน์แต่มันก็มีมีจุดอิ่มตัวของมันมันทำได้เท่านั้นมันกำจัดความทุกข์ได้เท่านั้นถ้าอยากจะกำจัดความทุกข์ที่มากกว่านี้จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ขั้นต่อไปคือขั้นชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการจเจริญส ม, มถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเน้นต้องทำความเข้าใจสำหรับผู้ที่ทำการปฏิบัติ ทำว่าเรื่องของการทำบุญทาทานนี้เป็นช่วงที่จะต้องพักไว้ก่อนไม่ต้องกังวลเราทามามากพอแล้วรถ้าเราไม่ได้ทำเราจะไม่สามารถมาถึงขั้นนี้ได้ผู้ที่จะมาถึงขั้นสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาได้นี้ต้องเป็นผู้ที่ได้ทำบุญมามามากพอแล้วไม่มีความหิวโหยกับรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะแล้ว สามารถที่จะมารักษาศีลแปดได้แล้วเมื่อสามารถรักษาศีลแปดได้สามารถภาวนาได้การทำบุญวิธีอื่นก็พักไว้ก่อนก็ได้ไม่จำเป็นเพราะการทำบุญวิธีอื่นหรือการไม่กระทำบาปนี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นขั้นบันไดที่จะพาให้เราไปสู่ขั้นที่ที่สูงสุดคือการการขั้นชาระจิตใจให้สะอาดโดยสุดนี้ ถ้าเรายังหนลาการกระทําบาปไม่ได้และอบา ย, ยมุขไม่ได้ถ้าเรายังทําบุญไม่ได้นี่การที่เราจะไปชำระจิตใจให้สะอาดบริบสุทธิ์นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นขั้นที่สูงกว่าเหมือนกับการศึกษาถ้าเรายังไม่จบระดับมัธยมนี้เราจะไม่สามารถไปเรียนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาได้เราต้องผ่านขั้นปถมขั้นมัธยมก่อนเมื่อเราจบปถม จบขั้นมัธยมแล้วเราก็สามารถที่จะไปเรียนขั้นปริญญาได้ต่อไปการทำการชําระความทุกข์กาจัดความทุกข์ขั้นที่สามนี้ก็เหมือนเป็นระดับปริญญาการทําบุญการละบาสนี้ก็เป็นเหมือนระดับปฐมระดับมัธยมที่เราต้องทํากันให้ได้ก่อนเมื่อเราละการกระทําบาปได้เราไม่เสบรบายอนุกได้เราไม่ไป เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เราทำบุญได้เราใช้วิธีหาความสุข ด, ด้วยการทำบุญได้ตอนนั้นใจเราก็จะพร้อมที่จะไปปฏิบัติทำขั้นที่สูงต่อไปคือขั้นชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนานี่สมถาภาวนาและวิปัสสนาภาวนาและการที่จะปฏิบัติได้สะดวกรวดเร็ว ก็คือต้องมีการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายสำรวมอินทรีย์ไม่ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสผพะธรรมต่างๆมาเสกวิธีที่จะสำรวมก็คือการถือศีลนี่ถือศีลแปดศีลห้านี้ไม่ได้ห้ามการสำรวมไม่ได้ห้ามการการสรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้สนับสนุนการสำรวมแต่ศีลแปนี้เป็นการสนับสนุนการสำรวม เราศีแลแปจะห้ามไม่ให้ไปเสบ ร, รูปเสียงกลิก่นรสในรูปแบบต่างๆเช่นในศีลข้อสามก็ห้ามไม่ให้ไปเสบ ร, รูปเสียงกลิก่นรสของคู่ครองของเราของผู้ที่เราจะร่วมหลับนอนด้วยอันนี้ก็ห้ามไม่ให้เสดเป็นการสํารวมตาหูจมูกลิงง้นกายเพื่อที่จะได้เอาเวลาที่ไปร่วมหลับนอนกันนี้มาให้กับการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เราก็ห้ามไม่ให้ไปรับประทานอาหาร ด้วยความอยากรับประทานอาหารได้ด้วยความจําเป็นรับประทานอาหารเพื่อระงับความหิวดับความหิวของร่างกายเท่านั้นไม่ได้ให้แสวงหาความสุขจากการรับประทานอาหารให้รับประทานเพียงวันละครั้งก็พอครั้งสองครั้งก็พอแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไก่หลังจากเที่ยงวันแล้วจะได้มีเวลามาให้กับการชำระจิตใจได้อย่างต่อเนื่อง ถ้ายัางมีการจะรับประทานอาหารมื้อเย็ยนต่อไปมันก็ยังจะทำให้มีการขาดตอนของการปฏิบัติได้เหนั้นถ้าต้องการให้มีการปฏิบัติอย่างราบรื่นไม่มีการขาดตอนก็ต้องเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเอาเวลาที่จะไปกังวลไปยุ่งกับเรื่องของการหาอาหารรับประทานอาหารนี้มาเจริญสมถะภาวนาได้ แล้วก็ให้ลาเว้นจากการหาความสุขจากมหรสลพบันเทิงต่างๆดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปไปดูไปฟังมหัศลศพอะไรต่างๆที่เขามีจัดกันไว้ให้ไปดูกันนี้ถ้าต้องการจะมาภาวนามาชำระใจให้สะอาดก็จําเป็นที่จะต้องยุติกิจกรรมเหล่านี้ไปแล้วก็ให้ระงับการเสริมสวยความงามของร่างกาย เพราะว่าถ้าอยากจะออกไปเที่ยวก็ต้องมีการเสริมสวยความงามต้องแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากทำเเ้ า, าทำผมต้องมีเตรียมชุดอะไรต่างๆมาใส่กันมันก็จะเสียเวลาหมดเวลาไปกับการทำกิจกรรมเหล่านี้ผู้ที่ต้องการที่จะมีเวลามาทำละจิตใจให้สะอาดก็ต้องละเว้นจากกิจกรรมเหล่านี้ไป ให้อยู่แบบเรียบง่ายแต่งเสื้อใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายเสื้อผ้ามีไว้เพื่อปกปิดอวัยวะต่างๆของร่างกายไว้เพื่อป้องกันอากาศที่หนาวเย็นหรือแมลงสา์กัดต่อยเท่านั้นเองไม่จําเป็นที่จะต้องสวยงามไม่ไม่จําเป็นว่าจะต้องทําด้วยวัสดุที่มีราคาแพงๆมันก็เป็นเพียงแต่เสื้อผ้าทําหน้าที่ไว้ปกปิดป้องกันภัยให้กับร่างกา ย, ยานี้เท่านั้นเองน สำหรับผู้ที่ต้องการชำระจิตใจให้สะอาดโดยสุดก็อย่าไปเสียเวลากับเรื่องของร่างกายเสียเท่าที่ทาเท่าที่จำเป็นคือชำระร่างกายให้สะอาดทำน้ำอาบท้าให้สะอาดไม่ให้มีกลิ่นเหม็นแล้วก็ถ้ามีผมก็หวีผ้าหวี ผ, วผมให้เรียบร้อยเท่านี้ก็พอใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายอันนี้แล้วจะได้มีเวลามาให้กับการปฏิบัติอีกข้อหนึ่งที่ต้องราเป็นคือการหลับนอนมากเกินไป การหลับนอนมากเกินไปเกิดจากการที่เราไปหลับนอนบนเตียงที่สุขที่สบายมากเกินไปนั่นเองเตียงที่เป็นเตียงสำรานต่างๆเราต้องนอนบนบนเตียงหรือ บ, บนพื้นแข็งๆเพื่อที่จะได้ไม่หลับนอนมากเกินไปพอร่างกายได้พักผ่อนพอร่างกายก็จะตื่นขึ้นมาใจก็อยากไม่ไม่อยากจะนอนต่อเพราะว่ามันไม่สบาย ถ้าเป็นเตียงที่มีพูกนาๆนุ่มนอนแล้วนุ่มเวลาร่างกายพักพอแล้วตื่นขึ้นมาใจจะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะทำให้เสียเวลาไปอีกหลายชั่วโมงดังนั้นถึงต้องให้นอนบนที่นอนที่มันแข็งที่มันไม่สุขไม่สบายเกินไปแต่เป็นที่นอนพอทำให้ร่างกายได้พักผ่อนก็พอพอร่างกายได้พักผ่อนพอก็จะตื่นขึ้นมา พอตื่นขึ้นมาก็จะได้ลุกขึ้มานั่งสมาธิต่อได้มาปฏิบัติธรรมต่อได้เนี่ที่ต้องการปฏิบัติตามเวลาที่พระเจ้าทรงสอนคือให้นอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วก็ให้หลับประมาณ4ี่ชั่วโมงก็พอพอร่างกายตื่นขึ้นมาตีสองหรือตีสากใ็ให้ให้ลุกตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาหนาฟูกเตียงที่สบายมันจะไม่อยากจะลุกน แต่ถ้ามันนอนบนพื้นแข็งๆนี่พอมันร่างกายตื่นขึ้นมาปั๊บมันก็ไม่อยากจะนอนต่อมันก็จะได้ลุกขึ้นมาปฏิบัติจิตตภาวนาต่อไปได้นี่คือสิ่งที่ต้องมีสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ชาระความโลภความโกรธความหลงต้องการที่จะเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้ จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศิลแปดขึ้นไปเป็นอย่างน้อยศินแปดสิสิบสินสอง้อยยี่สิบเจ็ดนี้ก็เป็นสินที่จะมาสนับสนุนในการชําระกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ต่างๆให้แก่จิตใจอย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นถ้าได้รักษาศินแปดหรือศีลที่สูงกว่านี้ได้แล้วก็จะมีเวลาที่จะมาบําเพ็ญ จเจริญสมถะวิปัสนาภาวนาได้นอกจากการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายแล้วสิ่งที่ยำจำเป็นจะต้องมอีอีกสิ่งหนึ่งก็คือการมีที่สถานที่ ส, สงบสงัดวิเวก ค, คือต้องไปปลีกวิเวกในปฏิบัติตามสถานที่ที่ไม่มีเสียงรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆมาคอยรบกวนใจถ้าปฏิบัติที่บ้านนี้จะมีรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆอยู่ใกล้ตัวเรา พอเราได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสใจก็จะใจก็จะเกิดความอยากเกิดความหิวกับรูปเสียงกลิ่นรสขึ้นม า, าก็จะทำให้การทำใจให้สงบมนี้ทำได้ยากยึงจาเป็นที่จะต้องหาสถานที่ที่ห่างไกลาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วก็ต้องไปอยู่คนเดียวถ้าไปอยู่กันหลายคนเราไปทุกคลีกันก็ต้องเกิดการสังสรรค์กันเกิดการสนทนาการเกิดการคุยกัน ก็จะทำให้จิตใจคิดปรุงแต่งพุงสร้างขึ้นมาได้ ก, การปฏิบัติสมถะภาวนาหรือสมาธินี้เป็นการระ ง, งับความคิดปรุงแต่งต้องการหยุดความคิดปรุงแต่งเพื่อใจจะได้สงบใจจะได้มีความสุขซึ่งเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป้าหมายของการทำสมถะภาวนาหรือสมาธินี้ก็เพื่อให้ใจได้เข้าถึงความสุขอันดีอันเลิศอันประเสริฐนี่แต่เข้าถึงได้ก็ต้องมีการยุติความคิดปรุงแต่งต่างๆดังนั้นการจะยุติยุติความคิดปรุงแต่งได้ส่วนหนึ่งก็คือการอยู่คนเดียวไม่อยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่อยู่กับคนเพราะถ้าอยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวอดที่จะคุยกันไม่ได้สนทนากันไม่ได้สังสรรกันไม่ได้ ทำกิจกรรมร่วมกันได้ได้เมืม่ออยู่ใกล้กันแล้วเดี๋ยวก็เกิดความคิดปุงแต่งปุ่งสร้างขึ้นมาทันทียิ่งต้องแยกกันอยู่อยู่ห่างไกลกันอย่าเจอหน้ากันต่างคนต่างอยู่แล้วก็ขั้นที่สมก็คื อ, ต, อต้องเจริญสติสตินี่แหละเป็นตัวที่จะหยุดความคิดได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนรถที่ไม่มีเบรกรถที่วิ่งลงเขานี่ถ้าไม่มีเบรกนี่ไม่มีทางที่จะหยุดกันได้ นอกจากมันต ก, ตกเขวออกไปแหกโค้งตกเขวไปหรือชนกับต้นไม้หรือชนกับรถที่สวนมาเท่านั้นมันถึงจะหยุดได้แต่ถ้ามีเบรกรถมันก็จะหยุดได้ก็จะปลอดภัยใจก็เหมือนกันความคิดของใจนี้ก็เป็นเหมือนรถที่วิ่งลงเขาดีนีถ้าไม่มีสติไม่มีเบรกมามาหยุดความคิดความคิดมันก็จะไม่หยุดเมื่อมันไม่หยุดความคิดความสงบก็ไม่เกิด เมื่อความสงบไม่เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งหลายก็จะไม่เกิดอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องจะต้องทากันคือเราต้องมีสติต้องเจริญสติวิธีเจริญสติก็คือเราจะต้องควบคุมใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆบังคับให้ใจคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นให้คิดอยู่กับคำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป ต้องทำตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยนะถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญสติอย่างอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริงเพื่อให้ได้เกิดผลประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อให้มีสติอย่างต่อเนื่องเราต้องฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลนมงตาขึ้นมาก็พุทโทรพุทโทไปไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ให้มีสติ อยู่กับการอยู่กับพุโทโธแล้วก็อยู่กับการที่เรากำลังทำงานนั้นอยู่กําลังอาบน้ําก็พุโทโธไปล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปแต่งเนื้อแต่งตัววิภ้าวิผอมก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปกวาดบ้านถูบ้านกับพุโทโธไปเดินจงกรมกับพุโทโธไปลำลำนักปฏิบัติก็ไม่มีงานอะไรมากไม่มีงานที่ต้องใช้ความคิด มีงานเกี่ยวการดูแลเลี้ยงดูร่างกายและดูแ ล, วลความสะอาดของสถานที่ที่เราพักเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมล้วนๆเดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไปด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องเดินจงกรมก็พุทโธนั่งสมาธิก็พุทโธไปถ้าทํานี้ได้แล้วเดี๋ยวความคิดก็จะหยุดได้เวลาที่นั่งสมาธิ แล้วพอความคิดหยุดปั๊บก็จะเกิดความสุขที่เป็นความสุขที่มหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเป็นความสุขที่วิเศษที่เงินทองกองเท่าภูเขาก็ไม่สามารถซื้อได้เราเชื่อได้ร้อยเปอร์็แล้วว่าคนที่เป็นมหาเศรษฐีมีเงินกองเท่าภูเขานี้จะไม่เคยเจอกับความสุขอันเลิศอันประเสริฐที่เกิดจากการทําใจให้สงบนี้ได้เลย เงินทองมีเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้ความสุขแบบนี้ความสุขแบบนี้ซื้อได้เพียงเกิดจากการปฏิบัติสติเกิดจากการรักษาสิงจะเกิดจากการเปิดมิเวกนี้เท่านั้นถึงจะทาให้เราได้เข้าถึงความสุขแบบนี้ได้เวลาจิตสงบนี้เราก็จะระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงไว้ชั่วคราวเวลาเข้าสมาธิจิตสงบนี้กิเลสความโลภความโกรธความหลงไม่ทํางาน แต่ยังไม่ตายเป็นแต่นเ ป, นเปน็การถูกกดบังคับไว้ไม่ให้ทํางานเท่านั้นเองเพราะสิ่งที่เป็นเครื่องมือของการทํางานของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนี้ก็คกือ ค, ความคิดต่างๆนี่พอเราไม่คิดปั๊บมันก็โลภไม่ได้โกรธไม่ได้หลงไม่ได้นี่คือวิธีบั่นทอนกาลังของกิเลสตัณหา แต่ไม่ถึงกับทำลายมันเองแต่ทำให้กำลังที่มันรุนแรงนี่มันอ่อนลงเบาลงหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาแล้วกิเลสก็เป็นเหมือนนักมวยที่ถูกชกชกนับแปดเนี่ยพอถูกชกล้มลงไปแล้วนับแปดลุกขึ้นมาก็ยังงง ง, งเงียอยู่ยังไม่ไม่มีกำลังวางชาไม่เหมือนตอนที่ยังไม่ถูกชกให้ล้มลง สมาธินี้ช่วยบัทอรกำลังของความโลภความโกรธความหลงให้มันอ่อนกำลังลงเพื่อที่เราจะได้ใช้วิปัสสนาขั้นต่อไปมาเป็นตัวทำลายความโลภความโกรธความหลงได้อย่างถาวรขั้นแรกนี้เราต้องจะอาศัยสมาธิหรือสมาธาก่อนทำจิตให้สงบตัดกำลังของความโลภความโกรธความหลงให้มันอ่อนลงและเวลาออกจากสมาธิมาพอ เกิดความโลภเกิกดความโกรธขึ้นมาเราก็ใช้ปัญญามาสอนใจได้ทันทีว่าเวลาเราโลภสิ่งที่เราโลภเราอยากนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่าสิ่งความสุขที่มันให้เรานี้เป็นความสุขชั่วคราวอันนี้จังไม่เที่ยมเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยคิดว่าให้ความสุขกับเรานี้ความจริงมันเป็นการให้ความทุกข์กับเรามากกว่าเพราะว่ามันเป็นความสุขชั่วคราว พอมันหมดไปมันก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาใจเราอยากได้ความสุขใหม่พอเกิดความอยากขึ้นมาใจก็จะทุกข์ใจก็จะไม่สบายใจก็จะกะวนกวายกระสรับกระสายขึ้นมาทันทีอันนี้คือขั้นที่สองหลังจากที่เราได้สมาธิออกมาแล้วใจของเรา <c oughs> ยังเย็นอยู่ยังสบายอยู่ในระดับหนึ่ง แล้วพอเกิดความโลภขึ้นมาเราจะสังเกตได้เกิดความอยากขึ้นมานี่เราจะเห็นใจเรานี่เริ่มร้อนขึ้นมาแล้วเริ่มกวลกวยเริ่มทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ต้องสอนใจว่าวิธีที่จะไม่ให้มันทุกข MM ์ก็ต้องหยุดความอยากนี้ความอยากนี้ทำให้ใจร้อนทความอยากนี้ทำให้ใจทุกข์ไม่ใช่วิธีกําจัดความร้อนความอยากลดความร้อนด้วยการทำตามความอยาก พราะมันไม่เป็นการกําจัดมันเป็นการไปเพิ่มความทุกข์ให้มีเพิ่มมากขึ้นเพราะสิ่งที่เราอยากได้พอเราได้มาแล้วมันก็จะให้ความสุขเราชั่วเท่าแล้วมันก็จะทําให้เราต้องมาวิตกกังวลมาห่วงใยกับสิ่งที่เราได้มาต้องคอยดูแลรักษาและเวลาที่เราสูญเสียมันไปหรือเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์อีกไม่สบายใจอีกต้องพยายามให้เห็นทุกข์ด้วยปัญญา จะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ความโลภความอยากต้องการนี้มันเป็นของชั่วคราวเป็นของที่ให้ความสุขได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความมันเดี๋ยวมันก็จะหมดไปพอหมดไปมันก็จะทําให้เราเจอกับความทุกข์ใหม่เจอกับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขนั่นเองนี่คือเรื่องของการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภกําจัดความโลภแล้วเราจะกําจัดความอยากได้ เพราะความอยากมันก็เกิดจากไอ้ความความโกรธได้เพราะความโกรธมันเกิดจากความโลภความอยากอยากได้นั่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็จะโกรธขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราไม่มีความโลภความอยากได้มันก็จะไม่โกรธและความโกรธความโลภนี่มันก็เกิดจากความหลงความหลงก็คือไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี่ความจริงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา มันไม่เป็นนิจจังสุขขังอนัตตาฉะนั้นการที่เราจเจริญปัญญาให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่ากับการกําจัดความหลงที่ไปเห็นว่าสิ่งในโลกนี้จะเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาจะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นความหลงพอพิจารณาด้วยปัญญาจะเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา พอ เ, เห็นว่ามันเป็น ata, อนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะไม่อยากได้อะไรเมืันไม่อยากได้อะไรมันก็จะไม่โกรธมันไม่มีความโกรธเพราะไม่มีความต้องการอะไรแล้วจะไปโกรธอะไรที่โกรธเพราะอยากได้แล้วไม่ได้ดังใจอยากเท่านั้นเองอ น, นี่คือวิธีกําจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปต้องกําจัดด้วยปัญญาปัญญาจะมากําจัดความหล ง, งเมื่อไม่มีความหลงความโลภก็ไม่เกิด เมื่อไม่มีความโลภความโกรธก็จะไม่เกิดมันเป็นสะเป็นสิ่งที่มันมันตา ม, มาเป็นพวงกันแก้ที่ปัญญาแก้ที่ใจรักอันนี้จังทุกขังอนัตตาพอเราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเช่นลาบยศเสริญเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภาวะว่าเป็นทุกข์ปับ๊บเราก็จะไม่อยากได้พอเราไม่อยากได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันอีกต่อไปแล้วต่อไปใจเราก็จะไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่อีกต่อไป ถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจอยากมันเป็นตายรักษทั้งหมดไม่มีอะไรที่ไม่มไม่เป็นตายรักทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้ถือว่าเป็นตายรักทั้งนั้นถ้าไปอยากได้ก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายรักแล้วก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้แล้วก็จะไม่ต้องทุกข์กับมันต่อไปก็จะไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่ภายในใจต่อไปความทุกข์ก็จะหมดสิ้นไปอย่างถาวรใจก็จะไม่ต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะความอยากที่อยากจะหารูปเสียงกลิ่นรสความอยากที่จะมีตาหูจมูกนิ้นกายมันก็ไม่มีแล้วเมื่อไม่มีก็ไม่มีการมาเกิดไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายก็จะอยู่อย่างสูงอย่างสบายไปตลอด อย่างพระพุทธเจ้าและพระนักสาวกที่ท่านอยู่ในพระนิพพานที่เรียกว่าบรมมสุขนิบานังบรมังสุขังก็เกิดจากการปฏิบัติทำสามข้อที่มาแสดงในวันนี้คือการละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพรและการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราปฏิบัติตามได้ เราก็สามารถที่จะไปถึงที่ผู้เจ้าและพ ร, ระอรหันตสาวกทั้งหลายไปถึงได้เพราะการปฏิบัตินี้ไม่ได้กําจัดเรื่องเพศเรื่องวัยเรื่องสถานภาพไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเป็นผู้ชายอย่างเดียวหรือผู้หญิงอย่างเดียวไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเป็นนักบวชอย่างเดียวหรือเป็นค า, า, ารวะอย่างเดียวเรื่องเหล่านี้ไม่เกี่ยวเกี่ยวอยู่ที่เพียงแต่การกระทําการปฏิบัติเท่านั้นว่าทําได้หรือเปล่าสามข้อนี้ ถ้าละการกระทบาปได้ถ้าสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมได้ถ้าชำระจิตใจใสะอาดบริสุทธิ์ได้ก็ไปถึงนิพพานได้ไปถึงความสุขที่ถาวรนไปไปสู่การสิ้นสุด ข, ของความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นี่คือเรื่องราวของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปิริปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินังเปตตาังอุปกปติอิช e ิตังปะิตังตุมหังคิปเมวะสัมมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปา จันโทปณะระโสย h ามณนิโชติระโสยธาสะพีติโยวิวัจจันโตสะพารโควินัสตุ มาเตภวตวันตะรายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาธนศีลิษะนิจังวุธาปจายิโนจตารุธรรมวัานเตอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวเพราะหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะไม่สะดวกเราจะมีการเคลื่อนไหวมีการทำอะไรต่างๆไม่เหมาะกับการสนทนาช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะเพราะทุกคนยังนั่งอยู่เฉยๆใครมีคำถามอะไรสามารถเข้ามาถามเองก็ได้ส่งข้อความเข้ามาก็ได้เขียนใส่กระดาษ หรือส่งข้อความทางเพจทาง YouTube ได้หมดวันนี้ผู้ติดตามทั้งหมดมีกี่มีกี่ท่านกราบนมำส ก, การเจ้าค่ะผู้รับฟังวันนี้ทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ559 YouTube พระสุชาติไลฟ์239 YouTube d ิบเก้ายูทูปดรวช วิทยุออนไลน์9คลับเฮาส์12ผู้รับฟังหน้ากุติ191รวม 1,135 ท่านเจ้าค่ะโอเควันนี้จับปลาได้เยอะหน่อย <laughs> จับมาเข้าคอบ <laughs> จับมาเข้านิพพานเข้าสวรรค์กั น, นชอบไปนระกกันด้วยต้องคอยเดิ <laughs> ถ้ามีคำถามว่าเจออ่านได้เลยคำถามจากคุณวินัยเจ้าค่ะกราบขอเมตตาพระอาจารย์ช่วยไขยปัญหาเกี่ยวกับสีปราชิกให้ผมหายข้องใจหน่อยได้ไหมครับคือพระนี้มีข้อห้ามอยู่ห้าสีข้อใหญ่ๆคือถ้าทำบาปสีข้อนี้เราก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระ ตอที่หนึ่เขาเรียกว่าเสพเมถุนก็คือการเสพสังวาสการร่วมหลับนอนกับสีกาอย่างนี้หรือกับใครก็ได้กับสุนัข ก, ก็ไม่ได้กับสัตว์ก็ไม่ได้นะคือตอนต้นห้ามพ่อไปเสพกับผู้หญิงก็ห้ามผู้หญิงพ่อไปเสพกับผู้ชาย ก, ก็ต้องห้ามผูนะ้ชายพ่อไปเสพกับสัตว์ก็ต้องห้ามเนื่องว่าเป็นเป็นการกระทํำที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนักบวชนะถ้ากระทําแล้วถึงแม้จะ ถูกจับได้ไม่จับได้ก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระไปแล้วเพราะจิตใจนี้จะไม่สามารถเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปสู่ทางธรรมได้เพราะจิตใจมันติดมันหมกมุ่นอยู่กับการเสกการมนี่เรียกว่าปาร์ีข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการนักทรัพย์ของผู้อื่นการนักทรัพย์นี้ก็มีทรัพย์มากทรัพย์น้อยสมัยก่อนเขาเรียกว่าทองคำหนึ่งมาศ อันนี้ไม่ทราบว่าหนึ่งมาสศมันขนาดไหนก็คงจะคงมากพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับามากจนโมโหรา น, นก็คืออย่าไปเอาทรัพย์ของผู้อื่นนะถ้าเอาแล้วก็ถือว่าขาดจากการเป็นพระได้ข้อสก็คือการฆ่ามนุษย์ต้องฆ่ามนุษย์ถ้าฆ่าสัตว์มดแมลงนี่ยังไม่ถือว่าเป็นปาาชิกยังเป็นการตรงอาบัตได้อยู่ บางทีเกิดการทั้งเถอหรือเกิดการกระทำที่อาจจะไปทำให้สัตว์เขาเสียชีวิตได้อันนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นปราชิราชินี้ต้องมีเจตนาฆ่ามนุษย์ฆ่าคนตายแล้วข้อที่สี่ก็คือการอวดอุตริคุณธรรมมันวิเศษที่ไม่มีในตนได้อวดว่าตนเองได้ได้ฌานขั้นนั้นขั้นนี้มีตาที่ผู้ที่ระลึกชาติได้หรือ บัรลุเป็นพระโสดาบันพระอนาคามีเรื่ออะไรเหล่านี้โดยที่ไม่มีในตัวต น, นไม่มีในตัวของตนเองแต่แต่ถ้ามีก็ไม่เป็นปาลชิกแต่เป็นปัญหาเพราะไม่มีใครเขาจะมารับรองว่ามีจริงหรือไม่มีจริงนอกจากว่าถ้ามีพระพุทธเจ้าอยู่นี่พระพุทธเจ้าก็อาจจะรับรองได้หรือมีครูบาอาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงที่คนเขรับนับถือ ก็อาจจะเป็นผู้ที่ยืนยันได้ว่าคนนี้เขามีของจริงเขาเขาไม่ได้เป็นาการหลอกลวงเขาพูดความจริงแต่เพียงแต่ว่าคุณธรรมนี้มันไม่ได้เป็นเหมือนกับของที่เราสามารถจับต้องได้มันเป็นของทางด้านจิตใจผู้ที่มีปัญญาหรือมีความความสามารถพิเศษทางด้านจิตใจถึงจะสามารถเข้าถึงถึงรู้เห็นได้ อย่างพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมครั้งแรกพระอัญญาณโกนัญญาก็บรรลุเป็นพระโสดาบันพระพุทธเจ้าก็รู้ขึ้นมาในใจของท่านว่าอัญญาเธอรู้แล้วเนาะอรู้แล้วเนาะเธอได้เป็นพระอริยบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วอันนี้ถ้ามีคนอย่างพระพุทธเจ้าก็พูดได้แต่ถ้าไม่มีก็อย่าไปเสี่ยงดีกว่า เพราะว่าถึงแม้จะมีจริงแต่พูดไปแล้วเขาเขาจะกลั่นแกล้งเราหรือเขาอิจฉาเราหรือเขาไม่ชอบเราเขาก็จะตู่ว่าเราประราชิกก็ได้เพราะมันมีคนที่ไม่มีแล้วก็พูดก็มีแล้วมันไม่มีการไม่มีไม่รู้วิธีว่าจะวาดคนได้อย่างไรถ้าไม่มีคนระดับแบบพระพุทธเจ้าที่จะมาคอยคอยเป็นผู้จัดการดังนั้นสมัยนี้ บรรดาพระสุปฏิปันโนทั้งหลายท่านถึงมักจะไม่พูดบอกว่าท่านเป็นนั่นเป็นนี้แต่ท่านไม่ท่านสอนได้ท่านพูดทำระดับที่ท่านรู้ได้อืแต่เพียงแต่ว่าท่านไม่ได้บอกว่าท่านเป็นท่านั้แล้ท่านก็สอนไปวิธีจะบรรลุขั้นนั่นขั้นนี้ทําอย่างไรก็สอนได้บอกได้ดังนี้ไม่ถือว่าเป็นการอุตริเป็นการสั่งการสอนแต่ถ้าจู่ๆก็มาบอกอโยมเชื่อนอั้นอาตมานี่เป็นอรหันต์แล้วนะ ถ้าพูดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการปวดอ้างแล้วถ้าไม่มีก็เป็นการอุตตริถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะขาดจากการเป็นพระทันทีเพราะว่าเป็นการเป็นความโลภเนความโลภอยากได้ชื่อเสียงอยากให้มีคนนับถือหน้าถือตาก็เลยมาประกาศตนขึ้นมาคำถามจากพระอิสันปัญญาวโรเจค่ะ คนที่พิการหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงจะสามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างไรครับได้เพราะการปฏิบัติมันปฏิบัติทางจิตขอให้มีครูสอนท่านเองอย่างพ่อพระพุทธเจ้านี่ก็ประชวรหนักเจ็ดวันก่อนตายพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงคําสอนวิธีปฏิบัติละ ก, กิเลสการละกิเลสละความโลกรธหลงนี้มันละด้วยสติด้วยปัญญาด้วยสมาธิมันไม่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงก็ทาได้ เพียงแตต้องมีจิตใจที่แข็งแรงมีจิตใจที่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องควบคุมใจให้สงบเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาได้แล้วก็พิจารณาบด้วยปัญญาให้เห็นตรลักษณกได้ถ้าเห็นได้เห็นปัญญาด้วยตรรัสจากจิตใจที่สงบที่มีอุเบกขาก็บรรลุธรรมขั้นต่างๆได้คําถามฝากถามจากหน้ากุติเจ้าค่ะ การขายกัญชา ถ, ถือว่าผิดศีลหรือเปล่าเจ้าคะกัญชามันก็เหมือนสุรายาเมาถึงไม้จะถูกกฎหมายสุราก็ถูกกฎหมายเมื่อก่อนกัญชาผิดกฎหมายแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำให้ถูกกฎหมายแล้วมันก็ยังเป็นันยาเสพติดมันเป็นเสพก็ทำให้มึนเมาขาดสติแล้วจะไปทำให้เกิดการกระทำบาปได้ง่ายคนที่ไม่มีสตินี้จะทาบาปได้ง่ายกว่าคนที่มีสติ เหมือนรถที่ไม่มีเบรกนี่จะไปประสบอุบัติเหตุได้ง่ายกว่ารถที่มีเบรกค่คำถามจากคุณพิสิทธิ์เจ้าค่ะการบรรลุญาณทัศนะจำเป็นจะต้องผ่านขั้นชานก่อนเสมอไปหรือไม่ครับใช้แค่จินตามายปัญญาอย่างเดียวได้ไหมครับไม่ได้หรอกจินตามายปัญญาถ้าไม่มีอุเบกขาไม่มีสมถะภาวนา เป็นผู้สนับสนุนในจิตจะไม่สามารถเข้าถึงญาณทัศนะได้จะเป็นสัญญา<ม>นึกคิดไปนึกคิดว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ไม่ได้เห็นตัวจริงเห็นตัวจริงนี้ต้องจิตต้องรวมเข้าสู่สมาธิก่อนเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิแล้วจะเห็นของจริงเพราะของจริงมันอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ที่การจริตการจรินนาภาพของเราจะเห็นเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาในี้ใจจะร้อนขึ้นมาทันที จะเห็นเวลามีปัญญาว่พกระดับมันได้ทันทีจะเห็นชัดเจนอันนี้เรียกยาณทัศนะเห็นภายในจิตทมทั้งหลายนี่มันมีอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอกคำถามจากคุณเอกเจ้าค่ะสามีถือศีลห้าภรรยาถือศีลแปดตกลงกันไว้ว่าจะไม่มีเพศสัมพันธ์กันแล้ว จะยังสามารถแตะเนื้อต้องตัวกันโดยที่ไม่มีจิตทางการราคะได้หรือไม่และเป็นการผิดศีลหรือไม่ครับคือเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่มีการมาราคะเพราะการถือศีลนี้ไม่ได้ไปดับการมาราคะได้การจะดับการมาราคาต้องเห็นอสุภะในร่างกายการจับเนื้อต้องตัวนี้มันเป็นการมันไม่ผิดมันยังไม่ผิดศีลแต่มันเป็นการ เรียกว่าอะไรเรียกว่าเป็นการเชื่อมโยงให้ไปกระทําการผิดศีลได้ง่ายเพรเมื่อมีการแตะเนื้อต้องตัว mm. ก็บางทีก็อาจจะเกิดอารมณ์ขึ้นมาได้พอเกิดอารมณ์แล้วบางทีมันยับยั้งไม่ได้มันก็จะทําให้ต้องไปทําผิดศีลได้แต่ไม่ผิดศีลข้อห้านะถ้าเป็นภรรยาสามี ก, กันจะผิดผิดศีลที่คนที่ถือศี 8, แลแปเพราะคนคนที่ถือศีลแปนี้จะไม่ไม่มีการร่วมเพศกับใคร กับสามีหรือกับใครนะั้นแต่ถ้าสมมติว่าสามีถือศีลห้าภรรยาถือศีลแปดแล้วถ้าเกิดไปมีการจับหรือต้องตัวแล้วเกิดอารมณ์ขึ้นมายับยั้งไม่ได้ mm hmm. ก็ภรรยาก็ก็ขาดศีลศีลแปศีลข้อสามไปก็เพื่อนออกมารักษาศีลข้อห้าท่านึ่งก็ไม่ถึงกับตกนรก mm hmm. มันะ ต, ตกจากสวรรค์เลยตกจากตกจากฌาน ต, ตกจากสวรรค์ชั้นพอ ม, มาสู่สวรรค์ชั้นเทพ ถามจากอาจารย์เพนเจ้าคะ่ะในคําสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าพึ่งเชื่อแม้แต่ตะขาตตะขาคตแต่ถ้ากรณีที่พระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเทศสอนแบบนี้เรายังไม่เชื่อจะถือว่าเป็นการสงสัยในคําสอนของท่านใหม่เจ้าคะเพราะก็มีคําสอนที่ว่าพุทธบริษัทจะต้องไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เพราะว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราไปไปพิสูจน์ท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อเฉยเฉยเรื่ ง, งตา่างๆที่พระเจ้าสอนนี้สอนให้เราไปปฏิบัติศีลก็ให้ไปปฏิบัติรักษาศีลแล้วจะไม่ไปอบายนี่เราให้เชื่อเชื่อได้เพราะท่านไม่ได้ให้เชื่อแบบงมงายเชื่อแบบให้เราไปพิสูจน์ แต่ถ้าเราเชื่อเฉยๆแล้วเราไม่ปฏิบัติตามนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี <Yeah. S 1> ย่ยคำสอนของครูบาอาจารย์ของของพระอริยสงฆ์ของพอระ พ, พุทธเจ้านี้เป็นคําสอนที่สอนให้เรานําเอาไปปฏิบัติให้เราไปพิสูจน์ไม่ได้สอนให้เราเชื่อเฉยๆเนี <Yeah. S 1> ่ยแถ้าเชื่อเฉยๆนี่ก็ไม่มีประโยชน์อะไร <Yeah. S 1> งั้นก็ต้องไปพิสูจน์ดูว่าคําสอนของท่านนี่ตรงกับความจริงหรือไม่ <Yeah. S 1> นี่คือความหมายว่าไม่ให้เชื่อ เือไม่ให้เชื่อเฉยๆให้เชื่อแล้วนํำมาไปพิสูจน์ดูแต่ก็ไม่ให้ปฏิเสธถ้าเรายังไม่ได้พิสูจน์ก็อย่าไปปฏิเสธว่าสวรรค์ไม่มีนรกไม่มีอบายไม่มีก็ไม่ควรปฏิเสธแต่ก็ไม่ควรเชื่อแบบงมงายว่าเมีสวรรค์แต่ก็ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่มีจริงอันนี้ต้องเอานําไปให้พิสูจน์ให้มันเห็นชัดแจ้งแดงแจ๋เลยว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงความหมายคืออย่างนี้ คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุติเจ้าคะ่ะคุณแม่ทําบุญรักษาศีลจเจริญภาวนาแล้วแผ่กุศลให้แก่เทวดาหรือเจ้ากรรนายเวงของบุตรแบบนี้จะทําได้หรือไม่เจ้าคะคือการแผ่เมุทิบุญในส่วนนี้เราจะให้ผู้ที่ไม่มีบุญเทวดาเขามีบุญพอเขาไม่หิวกับบุญของเราผู้ที่ต้องการบุญก็คือพวกที่เป็น ขอทางทางจิตวิญญาณก็คือพวกเปรตนเท่านั้นเองที่เขาจะมารอรับส่วนบุญและบุญที่จะให้ได้ก็บุญที่เกิดจากการทําทานเพราะมันเกิดทันทีแต่บุญอย่างอื่นบุญที่เกิดจากการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธินี่มันยังไม่เกิดเพราะมันยังไม่เกิดผลมันเหมือนกับการปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ได้ออกดอกออกผล ไม่เหมือนกับการทำบุญทำทานนี่เหมือนกับไปซื้อผลไม้ ม, มาจากตลาดเอามากินได้เลยเนี่นต่างกันเพระพุทธเจ้ายัางไม่เคยสอนให้อุทิศบุญด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการรักษาศีลด้วยการนั่งสมาธิไหว้พระ ส, สวมดมนต เพราะว่ามันยังเป็นบุญที่ไม่สําเร็จบุญที่สําเร็จก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทานทําให้ทานปั๊บนี้มันเกิดผลทันทีเหมือนกับไปซื้อผลไม้ที่ร้านเอามากินกันได้ทันทีไม่ใช่ให้ไปซื้อต้อนไม้แล้วมาปลูกกันปลูกแล้วไม่รู้ต้นไม้จะตายแล้วไม่ตายก็ไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดก็ไม่รู้ดัง น, นั้นเนี่ยการเวลาเราสวดมนต์เวลาเรานั่งสมาธิกันมันยังเป็นเหมือนกับการปลูกต้นไม้อยู่ยังไม่ได้ผล จึงแบ่งยังแบ่งอุทิศบุญส่วนนี้ไม่ได้คำถามจากผู้รับฟังหน้าคุติเจ้าคะ่ะการกําหนดอิริยาบทปัจจุบันคือรู้การกระทําของกายกับการกําหนดพุทโธตลอดเวลามีอ น, นิสสงแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าคะไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่างกันเป้าหมายก็คือให้ใจเราไม่ลอยไปลอยมาให้ใจเราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบนันอยู่ในเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้น ให้ใจเราหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆอันนี้คือเป้าหมายของการจเจริญสติไม่ว่าจะเป็นพุทโธว่าเป็นการดูร่างกายหรืออนาปนาสติหรืออะไรเหล่านี้มันเป็นการหยุดความคิดคำถามจากคุณวิทยาเจ้าค่ะสมัยพุทธกาลแค่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็บรรลุโสดาบานันปัจจุบนัน ถ้าฟังธรรมจากพระสงฆ์สามารถบรรลุโสดาบันได้หรือไม่ครับในกรณีที่เราเป็นคารวาสครับก็ อ, อยู่สองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือข้อส่วนผู้ฟังผู้ฟังต้องมีสมาธิแล้วมีอุเบกขาแล้วแล้วผู้แสดงต้องเป็นผู้ที่รู้ธรรมจริงๆทำแทะแสดงธรรมแทะพระอริยสงฆ์ตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนี้มีธรรมแทะแสดงธรรมแล้วจะเป็นธรรมที่แท้ ถ้าคนแสดงแสดงธรรมแท้และคนฟังมีภาชนะรองรับก็คือมีสมาธินิวเบคาก็สามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังถ้าฟังแล้วไม่บรรลุก็อาจจะมีปัญหาอยู่ส่วนสองส่วนคนแสดงธรรมยังแสดงไม่รู้เรื่องคนฟังยังงงอยู่ไม่เข้าใจหรือคนคนแสดงธรรมแสดงถูกต้องแต่คนฟังไม่มีสมาธิใจลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟังแล้วไม่เข้าใจก็บรรลุไม่ได้ ถามจากคุณอังคณาเจ้าค่ะการทําบุญให้ทานต่างๆแต่ใจไม่ได้รู้สึกอะไรใจเฉยๆแบบนี้โยมจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะเพราะทน้อยไปมลองทงให้มากขึ้นดูให้มันสะเทือนใจถ้าทาร้อยมันไม่สะเทือนใจก็ทํทสักหมื่นหรืเปล่าคถามจากคุณสวยเจ้าค่ะ การที่เรารู้สึกเป็นสุขกับการได้เห็นคนที่เข้าไปช่วยชีวิตคนที่โดนไฟดูดแบบนี้เป็นบุญแบบใดเจ้าคะก็อนุมโมทนาบุญนะยินดีกับการกทำความดีของผู้อื่นแล้วก็มีความสุขใจไปกับเขาคำถามจากคุณโซรูเทคสเจ้าคะ่ะ กระผมปฏิบัติโดยการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานระลึกรู้สึกตัวโดยรู้สึกถึงความมีสมาธิในภายหลังไม่ทราบว่าการมีสมาธิที่แนบแน่นจะเกิดตามมาได้หรือไม่ครับไม่ได้แล้วการจะมีสมาธินี้ต้องต้องนั่งสมาธิแล้วมีใจจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุโทโธใจนี้จะได้สมาธิ คำถามจากคุณพันธิพย์เจ้าค่ะการไหว้พระหรือการไหว้เจ้าหากโยมไม่จุดิทุกทเทียนจะได้ไหมเจ้าคะได้ไม่มีใครห้ามทุบเทียนไม่ไม่ต้องไม่ต้องจุดก็ได้เพราะว่าการไหว้เป็นการแสดงความเคารพคำถามจากคุณวิทยาเจ้าค่ะสมาธิขั้นไหนถึงจะเจริญไปเจริญวิปัสสนาได้ครับขัน้นอัปปนาสมาธิ จิตต้องรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้มีอเบกขาแล้วต้องแช่อยู่ได้นานเป็นเป็นเปนชั่วโมงขึ้นไปแล้วก็ไม่แช่ครั้งเดียวต้องทำบ่อยๆทำทั้งวัน mm hmm. เบื้องต้นนี้ต้องทำอ ป, ปนาสมาธิให้ชำนานให้มีอยู่กับใจได้ตลอดเวลาก่อนแล้วหลังจากนั้นถึงจะไปเจริญทางวิปัสสนาต่อไปได้คำถามจากคุณรัชนีวันเจ้าค่ะผวังคือสภาวะแบบไหนเจ้าคะ คือคารสงบของจิตมีอยู่สองลักษณะผวังแบบมีสติกับผวังแบบไม่มีสติผวังแบบมีสติก็คือสมาธิผวังแบบไม่มีสติก็คือหลับผวังหลับกับผวังสมาธิคำถามจากคุณ น, นัทเจ้าค่ะถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องของเราตายไปเขาจะไปเจอกันแล้วรู้จักกันในอีกภพไหมเจ้าค่ะ ก็ไม่มีอะไรแน่นอนอาจจะเจอกันก็ได้ไม่เจอกันก็ได้ไม่มีใครไปกําหนดรู้ได้คําถามจากคุณครูบอยเจ้าค่ะมีวิธีทําอย่างไรเราถึงจะผ่านขั้นทุกขเวทนาได้ครับผมนั่งสมาธิได้แค่สามชั่วโมงเองครับเวลามันเจอทุกขเวทนาก็อย่าไปสนใจให้เกาะใจติดอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปสนใจถ้าใจไม่ไปสนใจแล้วทุกขเวทนาจะไม่มาลบกวนใจแล้วใจอยู่พุดโธใจก็จะสงบเป็นอุเบกขาได้พอเป็นอุเบกขาก็จะอยู่กับทุกขเวทนาได้อย่างไม่เดือดร้อนคำถามจากคุณแ บ, แบมแบมเจ้าค่ะทำอย่างไรจะเลิกติดโทรศัพท์มือถือได้เจ้าค่ะก็ทิ้งมันไปสิ <laughs> ทิ้งมันไปอย่าไปเล่นมัน ตอนนี้ยังไม่มีคำถามเจ้า <นะ S 2> ค่ะมีการถามนี้อยากจะถามอะไรไห ม, มเดี๋ยวรอคำถามดูสักนาทีสองนาทีดูมีข้ามามาหรืบเปล่าเวลาติดอะไรวิธีแก้ก็คือให้ไปอยู่ไกลๆจากมันมคนติดเหล้าก็ต้องไปอยู่ที่ที่ไม่มีเหล้า ก, กินคนติดบุหรี่ก็ต้องไปอยู่ที่ไม่มีบุหรี่สูบถ้าทนได้เดี๋ยวสักพักมันก็จะหายอยาก แต่ถ้าไม่มีกําลังใจไม่มีสติสู้ก็ต้องพยายามขยันพุโทโธพุโทโธพุโทโธเนี่หรือสติเนี่จะทําให้ใจมีกําลังต่อสู้กับความอยากได้แล้วยิ่งถ้ามีปัญญาได้ยิ่งดีให้พิจารณาให้เห็นโทษของสิ่งที่เราไปอยากไปเสกนี่่ามันเป็นทุกข์เวลามันไม่มีแล้วมันจะทุกข์หรือเวลามีแล้วติดมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เรานี้ไม่ไม่สามารถไปทําอะไรที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ พิจารณาโทษของสิ่งที่เราไปติดถ้าเราเห็นโทษของมันเราก็จะได้ตัดมันได้มีข้ามาไหมเมยมีเจ้าค่ะคําถามจากคุณยินยินอย่างเจ้าค่ะการสวดบทโพชฌงค์ให้ตัวเองหรือผู้อื่นจะได้หรือไม่เจ้าค่ะการสวดมนต์นี่สวดเพื่อเราไม่สวดให้ผู้อื่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามการสวดเป็นุบายการเจริญสตินี่ใจเราถ้าไม่สวดมนต์จะนั่งคิดฟุง้งซ่านคิดวิตกกังวล เรื่องราวต่างๆพอเรามาสวดมนต์ความวิตกกังวลความทุ่ข์สร้างก็จะหายไปใจ ก, ก็จะสงบในระดับหนึ่งสวดเพื่อเราไม่ได้สวดเพื่อผู้อืคำถามจากคุณหนึ่งหรือไทยเจ้าค่ะพระย่างหมูกระทะกินเองนผิดศีลไหมเจ้าค่ะพระทำกับข้าวเองไม่ได้พระวินัยห้ามให้พระทำกับข้าวเองให้ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพ ยกเว้นกรณีที่มันไปอยู่ที่กันดารเนืออะไรที่ไม่มีการบินตบัดไม่ดา น, นี้ก็อาจะอนุญาตให้มีโรงครัวแต่ก็ให้ญาติโยมเป็นคนกระทั่ถ้าไม่มีหน้าที่จะทากับข้างกับปลาอันี้คําถามจะผููรับฟังหนะ้ากุฏิเจ้าคะ่ะศีนข้อ7ไม่แต่งหน้าทาปากแต่ถ้าทาครีมกันแดบดบผิดไหมเจ้าคะ่ะ ถ้าเป็นการรักษาไม่ผิดถ้าเป็นการเสริมสวยผิดอยู่ที่ว่าเป็นการรักษาหรือเป็นการเสริมสวยการเสริมสวยเป็นกิเลสการรักษาเป็นเหตุเป็นผลเป็นความจำเป็นที่จะต้องดูแลร่างกายของเราคำถามจากคุณนะัทธพลเจ้าขา ม, มีสองคำถาม คำถามที่หนึ่งเมื่อเราบริการพุโทโธไปสักพักสังเกตเห็นว่ามีหนึ่งคนนึกพุโทโธและอีกหนึ่งคนมองคนนึกพุโทโธคนที่มองคนที่นึกพุโทโธนั้นก็คือจิตเราที่แท้จริงใช่ไหมครับบางครั้งเหมือนมีอีกคนคือคนที่สามเป็นตัวที่คิดฟุ้งซ่านอยู่ด้วยครับเพราะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้คิดองผู้รู้ก็จะรู้ผู้คิดถ้ามีสติก็จะรู้ผู้คิด ถ้าไม่มีสติมันก็ไปติดอยู่กับผู้คิดคิดว่าเป็นผู้คิดไปแต่เวลามีสติเราก็จะแยกออกได้ระหว่างผู้รู้กับผู้คิดโดยเวลาที่เวลาที่ผู้คิดหยุดหายไปเราก็จะเห็นผู้รู้อย่างชัดเจนผู้รู้ไม่มีวันหายไม่มีวันหยุดผู้รู้รู้อยู่ตลอดเวลาแต่ผู้คิดนี้หยุดได้พักได้เวลาเข้าสมาธิไปผู้คิดก็จะหยุดทางานชั่วคราวเหลือแต่ผู้รู้ คำถามที่สองเจ้าค่ะในเมื่อใจไม่ตายหากใจได้นิพพานเช่นครูบาอาจารย์ท่านลาสังขารไปแล้วท่านก็ยังอยู่ยังมองเห็นเราอยู่เพียงแค่ท่านไม่ได้มายุ่งกับเราหรือเรื่องราวต่างๆนั้นไม่ได้กระทบเข้าเข้าไปในใจท่านอันนี้กระผมเข้าใจถูกไหมครับก็เหมือนคนที่เราใช้มือถือแล้วเนี่ยเมื่อเราใช้มือถือก็เราติดต่อกับคนที่มีมือถือ คนนี้ถือมีคนมีมือถือก็ติดต่อคนที่ไม่มีมือถือไม่ได้พระพุทธเจ้าพาาระหลานนี่ท่านเลิกใช้มือถือแล้วเลิกใช้ร่างกายแล้วท่านก็เลยไม่ติดต่อใครแต่บางครั้งท่านก็อาจจะติดต่อได้ท่านมีพลังจิตเพราะว่ามีกุบาจารย์พระหลานบางท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่ามีพระรหลา์มีพระ พ, พุทธเจ้ามาแสดงธรรมโปรดให้ท่านอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรณีพิเศษ แต่โดยปกติแล้วท่านก็จะไม่มาเกี่ยวข้องกับเราคำถามจากคุณพรหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเจ้าค่ะการที่เราตั้งใจงดรับประทานเนื้อสัตว์ทุกวันพระเป็นบุญที่เราสามารถอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรได้ไหมเจ้าคะการงดรับประทานเนื้อสตัตว์นี่ไม่เป็นบุญแต่อย่างใดนะเพราะถ้าอย่างนั้นวัวควายก็ได้บุญเยอะกว่าคนวนะัวควายมันก็กินผักกินหญ้า การกินเนื้อสัตว์และไม่กินเนื้อสัตว์นี่ไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปการฆ่าเนี่ยถึงเป็นบาปการไม่ฆ่าถึงเป็นบุญทีนี้ถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆ่านี่ไม่บาปแต่ถ้าเรามีส่วนเช่นเราสั่งเขาว่าพรุ่งนี้ช่วยเอาไก่มาให้สองตัวนี่ช่วยฆ่าไก่ให้สองตัวไปที่ร้านแล้วบอกเขาอย่างนี้อย่างนี้เรามีเรามีส่วนบาปแต่ถ้าที่ร้านเขาฆ่าไว้แล้ว เอามาขายโดยที่เราไม่รู้เรื่องเราผ่านมาเห็นเข้าเราอยากจะซื้อมากินนี้ไม่บาปนั้นถ้าไม่ไปสั่งเขาหรือไม่ได้ทําเองเรามากินเนื้อของสัตว์ที่ตายนั้นไม่บาปแต่ถ้าสั่งเขาก็ดีหรือทําฆ่าเองก็ดีแล้วเนื้อที่เราฆ่านี้มากินเนี่ถึงเย่อะๆบาปนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การกินอะไรหรือไม่กินอะไ ร, ไไ อ, ะไรอยู่ที่การฆ่าหรือไม่ฆ่า คำถามจากคุณทิติชยาเจ้าคะ่ะการสอนลูกตัวเองให้ปฏิบัติธรรมเมื่อเขาทําได้แบบนี้คือการต่อสัญญาที่เขาเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วใช่ไหมเจ้าคะก็ลองก็ไม่รู้ว่าเขาในอดีตก็มีมามากน้อยเพียงไรเขาอาจจะไม่มีเลยก็ได้แล้วเขาอาจจะเริ่มต้นจากการที่เราสอนเขาก็ได้แต่มันไม่สําคัญหรอกว่าเขามีแล้วไม่มีขอสําคัญขอให้เราขอให้เขาทําได้ก็แล้วกันถ้าเขาทําได้ก็โอเค คำถามจากคุณหนุ่มเจ้าค่จาคะจะวางจิตอย่างไรเมื่อเรามีอาการเจ็บป่วยครับก็ทำใจให้สงบไงบริกรรพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิไปอย่าไปกังวลกับเรื่องของร่างกายร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายจิตใจก็เรื่องของจิตใจร่างกายเราทําอะไรไม่ได้แต่จิตใจ น, นี้เราทําให้มันสงบได้เราก็ทําให้มันสงบเพราะถ้ามันสงบแล้วจิตใจเราก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกาย คำถามจากคุณนิสาเจ้าค่ะนั่งสมาธิแล้วลมหายใจเบาลงจนเหมือนจะหายใจไม่ออกร่างกายอ้าปากหาอัตโนมัติแบบนี้โยมควรจะแก้อาการอย่างไรเจ้าค่ะก็ให้ดูไปเฉยๆก็แล้วกันดูมีหน้าที่ดูลมก็ดูไปไม่ต้องไปแก้เลยให้รู้เฉยๆไปมันอาจจะเป็นอาการชั่วคราวที่เกิดขึ้นหน้าเดียวมันก็หยุดไปเองคำถามจากคุณภูมิเจ้าค่ะ ถ้าโยมท่องพุโทโธทานกับศีลและบารมีสิบอย่างอยู่ในการภาวนาพุโทโธใช่หรือไม่ครับไม่ใช่หรอกการบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปท่องอย่างอื่นด้วยท่องก็ได้แต่มันก็ไม่ถือว่าเป็นการบริกรรมพุโทโธถ้าพุโทโธนี้ต้องมีแต่พุโทโธอย่างเดียวแต่ท่องอย่างอื่นด้วยก็ได้ถ้าจะทําให้ใจเรานิ่งทําใจให้เราสงบได้ก็สามารถท่องได้ อย่างสมาธิที่เราเริ่มต้นเราก็ท่องพระสูตทัองพระสูตรปฏิ ป, ปทานสูตรท่องไปประมาณสักสามสี่สิบนาทีท่องไปแล้วใจมันก็นื่งเย็นแล้วก็มาดูลมต่อได้ถ้าไม่ได้ท่องมันก็จะฟุ้งซ่านจะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ mm. ก็แล้วแต่กรณีถ้านั่งแล้วยังฟุ้งอยู่ดูลมไม่ได้พุดโธไม่ได้ก็ให้ท่องอะไรไปท่องอีตีพิโสไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ เรารู้สึกว่าจิตเบาเย็นสบายไม่พุ้งแล้วก็เรามาดูลมต่อไปเรื่องพุโทโธอย่างเดียวและแบบนี้กายและวาจาจะอยู่ในศีลมาจากการภาวนาพุโทโธใช่หรือไม่ครับก็เวลาเราพามาพุโทโธเราก็ไม่ได้พูดไม่ได้ทําอะไรเลยากายกับวาจาต้องนิ่งก่อนใจถึงจะนิ่งได้ถ้ากายวาจาไม่นิ่งก็จะมาพุโทโธไม่ได้จะมาทําใจให้นิ่งไม่ได้ คำถามจากคุณรัชนีวรรณเจ้าค่ะกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมความหมายของผวังสมาธิด้วยเจ้าค่ะก็ผวังแปลว่าการการนิ่งสงบของจิตเนี่ยเวลาจิตนิ่งสงบถ้ามีสติแล้วก็เรียกว่าสมาธิก็มีความรู้สึกตัวว่าตอนนี้จิตที่เมื่อกี้พลุ้งซ่านมันมันหายพลุ้งมันนิ่งสงบ แต่ถ้าไม่รู้สึกเลยว่าเป็นอะไรก็แสดงว่าหลับไปคำถามจากคุณทีคัฒนาเจ้าค่ะ โยมติดฟังทมทุกวันทุกคืนและเดินจงกรมอย่างสม่ำเสมอแต่นั่งสมาธิไม่ได้ใช้การนอนสมาธิแทนเนื่องจากอาการเจ็บป่วยแต่ไม่ห่างจากบุญและยังรู้สึกถึงความสุขจากบุญว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเจ้าค่ะแบบนี้ยังพอใช้ได้ไหมเจ้าคะก็ดีกว่าไม่ทำเห็นว่าถ้าทำแล้วถ้าทำให้จิตสงบได้มากกว่า น, นี้ได้ยิ่งดี แต่ถ้าทําในท่านอนมันจะหลับไปก่อนก่อนที่จะเข้าสู่ความสงบมันจะเข้าสู่พวังหลับนะเพราะว่าเราอยู่ในท่านอนมันสบายตอมันสบายแล้วสติมันก็จะอ่อนกําลังลงมันก็จะทําให้หลับแต่ถ้าเราไม่อยากจะหลับอยากจะให้เข้าพวังสมาธิเราก็ต้องฝืนนั่งถ้าฝืนนั่งได้มันก็จะไม่หลับมันก็จะเข้าพวังงองสมาธิที่ที่ดีกว่าการหลับเพราะมันทําให้จิตสงบทําให้จิตมีความสุขมากกว่า คำถามจากคุณวิทยาเจ้าค่ะบุคคลโสดาบาันมีคุณธรรมข้อไหนและและกิเลสอะไรได้บ้างครับโสดาบาันก็จะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ไม่ยึดติดกับสังขารร่างกายไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายคำถามจากคุณครูบอยเจ้าค่ะ หมอที่ผ่าศพอยู่บ่อยๆเป็นการพิจารณาอสุภะแต่ทำไมคุณหมอเหล่านั้นถึงไม่ได้บรรลุธรรมครับเพราะไม่เอามาใช้ดับกิเลสเอามาใช้สนับสนุนกิเลสเอามาเป็นอาชีพหาเงินหาทองเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้เอามาใช้ในด้านที่เหมือนมีดมีดมันมีใช้ประโยชน์ได้หลายทางเอาไปตัดอะไรก็ได้เอาไปทำอะไรก็ได้หรือเอามาทาร้ายตัวเองก็ได้ ธรรมะก็เหมือนกันอสุภะก็เหมือนกันถ้าเราจะมาฆ่ากิเลสก็ต้องเอามาฆ่าตอนที่เราเกิดกามอารมณ์เวลาที่เราเห็นใครแล้วเรารักเราชอบเขาเราก็ต้องนึกถึงส่วนภายในที่เราเห็นทุกวันเวลาที่เราผ่าศพนี้มันก็จะระงับความความอยากในกามอารมณ์ได้แต่ทีนี้เขายังมีความคิดว่ากามอารมณ์เป็นของดีอยู่พราเป็นทางให้เขามีความสุขเขาก็ไม่ใช่อสุภาะานั้นเอง เขาก็ถึงแม้เขาจะมีเห็นอสุภะอยู่แต่ตอนนั้นเขาลืมไปเขาไม่คิดถึงมันมันก็ลืมไปเขาก็เลยยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการที่ได้เห็นอสุภะคำถามจากคุณโบเจ้าค่ะอา น, นิสงส์ของการเปิดบทสวดมนต์ต่างๆฟังตอนอยู่บ้านถือว่าได้บุญหรือไม่เจ้าคะ การฟังการสวดก็ดีถ้าเราฟังด้วยสติมันก็เป็นการเจริญสติเป็นการทําความสงบให้กับจิตใจได้ในระดับหนึ่งถ้าเรายังสวดเองไม่ได้ก็ฟังการสวดของคนอื่นไปก่อนก็ได้เหมือน ก, กับการฟังธรรมมันจะได้ทําให้เราไม่ต้องไปนั่งคิดเรื่องรุ้นวุ่นวายใจต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีการฟังอยู่เฉยๆเดียวก็อดที่จะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ก็จะสร้างความวุ่นวายใจให้เกิดขึ้นไม่ได้ เอาคำถามสุดท้ายนะการจะหมดเวลาแล้วคำถามจากคุณสุทธาเจ้าค่ะบางครั้งนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่าจิตนิ่งพองสักพักก็เริ่มมีอาการไรายรำโยมก็ปล่อยและดูอาการไรายรำนั้นไปสักพักการไรายรำก็หยุดกลับมาอยู่ในอาการสงบไม่ทราบว่าการไรายรำนี้เกิดจากอะไรเจ้าค่ะก็จากอาการจิตขาดการควบคุมด้วยสติชั่วคราว งั้นควที่จะมีสติกลับมาดูลมต่อแล้วกลับมาพุ ท, พทโธต่อจะดีกว่าเพราะบางทีมันอาจจะไม่หยุดก็ได้มันอาจจะไล่ลำยาวไปเลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็ได้งั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมาแสดงว่าใจเราไม่มีสติแล้วมักลับมาที่ลมกลับมาที่พุทโธดีกว่าโอเคนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิจารณาไปปฏิบัติ